อ๋อออออแผ่นดินทองของไทยเขียวจอุ่มบอกความชุ่มชาวประชาต่างนาใสข้าวแตกรวงเรื่องอารามงามวิไล ระชาไทยชื่นบานสรารมอัญญาสูบยาฟินพิษมันรายยาได้ไหมไปไกลให้สกสันครอบครัวที่สดใสบันลพลัน อย่าไกลมันเป็นดีชีวีเรา